หมีบอกขนาดนี้มันก็ต้องไม้ดีแน่เขาก็วางเครื่องทัพอสัมภระเอพวกยามพวกถุงพวกสูงอาหารติดแล้วก็เขาเอาเลื่อยเอาขวานตัดต้นไม้ตัว น, นั้นพอตัดเสร็จแล้วเขาก็มาอตกแต่งมาทาให้มันพอที่จะแบกได้กลับบ้านตอนนี้ลุกขะเทวดาที่สิงอยู่ต้นไม้เะพอต้นนั้น่ออพอหมีไปชี้ให้นี่แหละต้นไม้ช้นนี้แหละ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 ยาคาผ่านมาเขาเลยมอบให้มอบยาคาให้แก่สิทธะแปดกำมือนีอ่ยแปดกำมือพระองค์ก็ได้ยาคาจากนายโสธิยะนายโสธิยะคงจะเห็นว่าสิทธะนั่งอยู่โคลนต้นโพนะเนี่มันคงจะเป็นรากลอยขึ้นมาจากดินนั่งไม่สะดวกเออมันคงจะเป็นไม่สะดวกกันเห็นสิทธะนั่งอยู่ตามปาังก็กเลยมอบยาคาให้แปดกำมือพอสิทธะท่านได้ยาคาแปดกำมือท่านก็หาหมงุง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 แต่เราเร version, มีความพยายามมีความตั้งใจใจของเราจะรวมสงบลงเป็นเอ่อันต่อไปอีกเ่าอุปจารสมาธิจิตจิตใจเราคิดเรื่องอะไรจิตใจของเราจะไม่ปุ๋งไม่พุ่งไม่สานเราคิดเรื่องอะไรเรารู้ว่าเราคิดเรื่องอะไรขณะนี้เดี๋ยวนี้อันนี้ อ, อุปจารสมาธิจากนั้นจิตของเราเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นดูให้ดีล้ไปจิตจะรวมสงบล ง, ปลงปเป็นหนึ่งจิตเป็นอนไดสติเป็นนั้ น, น, น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 เราก็จงไปจองที่ล่ำที่รวยที่จะมีความสุขแต่เราไม่มีเงินออกจากรา่างนี้แล้วก็จงไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่เป็นช้างม้าวัวควายเป็นได้ทั้งนั้นใจของเราเนี่นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปอย่างนั้นประ น, น, ระนันขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่หลวงพ่อได้เอาแนวธรรมะมาบอกกล่าวให้แก่คณะทายาทโยมก็ขอให้อย่างที่ว่าสุดตะมยปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาให้แยกแยะ